เราอนุญาตให้กั้นห้องไว้ด้านหนึ่งในวิหารเล็กแต่กั้นห้องไว้ตรงกลางในวิหารใหญ่